อิปุกขาวาตตปาสิตังอภินัณุนปิมจบภหาสติปัฏฐานอันนี้สองอันนี้สองคือผลที่จะพึงได้รับถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจเจริญมหาสติปัฏฐาน อันนี้ทรงที่เราจะฝึกได้รับอย่างช้าที่สุดเจดปีอย่างเร็วที่สุดเจ็ดวันเจ็ดปียกไว้หปีหกปียกไว้ห้าปีห้าปียกไว้สี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปียกไว้เจ็ดเดือนเจดเดือนยกไว้หเดือนหกเดือน อเดือนสีเดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนยกไว้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนยกไว้เจ็ดวันประสบผลสูงสุดเป็นพระอรหันต์ถ้ายังมีสังโยชน์อยู่อย่างต่ําสุดเป็นพระโสดา สูงสุดเป็นพระอนาคานี่ล้วนแต่อรยมรรคอริยผลทั้งนั้นต้งองอกตั้งใจปฏิบัติเราฟังดูแล้วเหมือนก็สุดเอื้อมหมดหวังสำหรับพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้ตั้งใจทําจริงจังเราไม่ได้หมุนมันเป็นไปเหมือนกับอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า มีแต่ตามหลังมันต้อยต้อยต้อย ต, อย ต, อย ต, อยตามหลังกิเลสเราไม่ได้นำเราไม่ได้เอาสตินำสติปเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสติเนี่ยเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสําหรับมาเปลี่ยนขณะจิตของเราเนี่ยมันเป็นขณะที่ตื่นรู้รูอยู่ เราไปแยกหลายอย่างมาได้ดอกงงสับสนเราฟังแล้วครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยอ <c oughs> แยกนูน้นแยกนี้แยกนี้แยกแยกไปแยกมาสับสนเราจับไปที่ผู้รู้ผู้เราผู้รู้ของเราดวงเดียวเนี่ยจับไปที่จิตของเราดวงเดียวเนี่ยกำลังจดจอ่อดูว่าสติเรามีไหม กำหนดจดจอ่อลงไปสติเรามีไหมสติคือความรู้ที่ประกอบไปด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตื่นรู้ตื่นโรอยู่นี่ละสติแล้วก็สามพัชญะสามชัญญมะญญมันเป็นตัวประกอลงไปอันนี้คือคุณสมบัติของมนุษย์ เราประกอบให้เกิดขึ้นมีขึ้นดูนี่คือความเป็นมนุษย์ไม่งั้นมันจะมีอะไรทอะไรไม่รูแทกเข้ามาไม่รู้แหละความเป็นมนุษย์หายไปแล้วราคะโทสะโมหะอิจฉาเสียพยาบาทสรพัดมันแทรกเข้ามาเพราะมันไม่มีสติกำหนดจดจอรู้ทันมันรู้ไม่ทันอันนี้เป็นอาวุธหนักเลยหรืวงั้นเถะ เมือ่อเราอยู่ภาคสนามทุกๆสนามยืนอยู่ภาคสนามมีสตินี่แหละเป็นอาวุธสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นฐ <c oughs> านจะไปกํากับที่อะไรก็ช่างเถอะขอใหเระลึกรู้สึกตัวว่าไปกํากับอิริยาบถ ท, ที่เรากรุกกระดิกพริกแ พ, พลงไปกํากับกิริยากาย ก็รู้ไปกับกิริยาวาจาวาจีกรรมนี่ก็รู้จะพูดแต่ละคำแต่ละประโยครู้วินิจฉัยไข้ครวนออกมาพร้อมพอมพร้อมอมอมโอกาสที่จะเผลอโอกาสที่จะพูดด้วยอำนาจของความหลงโกรธเคียดแค้น ตาดำตาแดงพลุมออกมาไม่รู้สึกตัวมันมีอยู่อตระงนั้มันไม่อยู่ตรงนั้มันไม่อยู่ขาดความไตรตรองขาดความใคร่ครวญขาดสติกำกับนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสติกำกับตื่นรู้มันรู้ตัวตลอดสติความร้ลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกดูระลึกรู้ทั้งทั้งที่เรารู้นี่อยู่ลองระลึกดู นั่งภาวนาอยู่กับเนื้อกับตัวไหมหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนั่งทรงจิตสรงใจเรื่องล่องลอยไปไหนที่ไหนอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไหมอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไหมนั่นคือไม่มีสติขาดสติอืมแค่เรามาอยู่กับอิริยาบถเดียวเนี่ยเราจึงเอามันไม่อยู่ เราไม่ต้องไปพูดถึงว่ายืนก็เอาให้มันอยู่หมัดเดินก็เอาให้มันอยู่มนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มันระลึกได้หมดให้มันทันได้หมดหากค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปค่อยๆได้ไปค่อยๆคล่องไปค่อยๆชำนิชำนานไปเรามาขัดสีเรามาขัดเกลีชิ้เดี๋ยวมันเป็นเปลวไฟลับขึ้นมาได้ไฟใช้เนี่ย มันก็เป็นไปได้ยากมันเป็นไปไม่ได้ทร ม, มาค่อนปีกว่าจะรู้ทร ม, มาค่อนชีวิตกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวนี่เราพูดถึงสติปัฏฐานตามหลักทือพระพุทธเจ้าท่านสอนก่อนยุคพระพุทธเจ้ า, มาเมาบัดเลยไม่มีการสอนกันมาสิปัฏฐา น, นไม่มีการสอนกัน สอนเรื่องสมาธิสมาบัติสอนเรื่องสมาธิสมาบัติแท้สมาธิสมาบัติบางคนเกือบตลอดทั้งชีวิตเหมือนอย่างลาระดาบทเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีล่วงไปแล้วกวรจะได้อุทกดาบทเน่ยสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าวิสัยผู้มีปัญญา วิสัยของพระบรมศาสดาท่านเรียนไม่นานท่านก็ได้จิตของท่านเอาไปใช้อย่างไงก็เป็นไปอย่างนั้นได้ง่ายจิตของท่านอ่อนนุ่มจิตของท่านมีมีบุญมีอานิสงส์จิตมีพลังฝึกยังไงได้อย่างนั้นเพราะมันฝึกมาแล้วฝึกมากี่กับกีกันแล้วจนโผล่ออกมาแล้วเต็มเปีย่ยมมาแล้วฝึกมาจนเพียรพร้อมหมดแล้ว บุญบริบูรณหมดแล้วพวกเราวิสัยสาวกสาวกอืมวิสัยสาวกบางทีเราก็พึ่งโผล่มาอย่างไรก็ไม่รู้พึ่งโผล่มาอย่างไรก็ไม่รู้มาลุกมาคลํา ม, มาจับนุ่นชนนี่มจับนี้ชนนั้นเออ แต่ไม่เหลือบากควาแรงไม่เหลือความสามารถคอยเราตั้งอกตั้งใจทำมันไม่มีผลมากมันก็ต้องมีผลน้อยจนได้คอยเราตั้งอกตั้งใจทำอย่างน้อยก็คือหอนทางที่เราพยายามปีนป่ายเพื่อที่จะมาเดินให้ได้พยายามตะเกียบตะกายพยายามปีนป่ายมาเพ่เพื่อที่จะเดินให้ได้หนทางอันนี้แหละเป็นหนทางที่ประเสริฐเป็นหนทางที่เยี่ยม เาฝึกได้แล้วมีประโยชน์เกื้อกู ล, ท, ท, ลกทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมพราะผู้ที่จะไปบนโลกผู้ที่จะไปบนธรรมก็คือจิตดวงเดียวนี้ผู้รู้ดวงเดียวรวงนี้มันไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนดวงเดียวเท่านี้เราดูแล ร, รักษาไม่คมดูแล ร, รักษาไม่อยู่ <c oughs> ซึมซึมเซ่เซ่อเงอะเงอะงะงะแล้วดูเถอะขาดอะไรขาดสติขาดสมรช ญ, ญาขาดขาดความกำหนดจดจ่อขาดขาดความใคร่ครวนขาดความไตรตรองกับคนที่เขาแน่วเมาก็เมาเมาเม า, มา สัมผัสปุ๊บจับปุ๊บสัมผัสปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บสัมผัสสัมผัสป๊บจับปุ๊บสัมผัสปุ๊บจับปุ๊บสัมผัสป๊บจับปุ๊บสัมผัสปุ๊บจับปุ๊บกับพวราวไม่เู้มันกีสัมผัสก็จะไอ้ปั๊บปั๊บปุ๊บปบตามมาเนี่ยนะเตะขาถอกลิ้งาไปปั๊บปุ๊บปุะ สมอบลมไปอแเรามาเจรย์ยังไงเจริญมาสติเราเจรย์ยังไงแค่เราภาวนิจใจสงบเอาสติมาใส่ลองดูลองลอง็ลอกขาดสติลองดูดูมันอยู่ไหมกับพุทโธนะ่ะพุทโธอยู่กับเนื้อกับตัวไหมความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวไหมพุทโธอยู่ไหมหลุดมาหลุดมือไปไหนนี่คือขาดสติ เจริญสติเจริญยังไงอะ mm. เจอให้มันมีสติโธพุโทโธพุโทโธพุทโธมันโธอย่างนี่คือการเจริญสติเอาให้มันอยู่เอาเจนอยู่รุดไปดึงกลับมาลุดไปดึงกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังให้มันอีกนะมันรุดไปเพราะเหตุใดรุดไปเพราะเรื่องใดลุดไปรุดไปตั้งแต่ตอนไหนขยับ มาจับจิตนี่แหละไล่เอาหัวมันมาถูนี่นี่มุกเผลอตรงนี้มันหลุดไปตรงนี้จับหัวมันมาถูนี่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จาะสมบองเข้าไปสมบรวมเข้าไปบังคับเข้าไปไม่บังคับไม่ได้ดอกบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ผลเท่านั้นแหละเหตุเราต้องบังคับ ถ้าเราไม่บังคับเรื่องอะไรเราจะมานั่งปวดหลังปวดเอวจะเป็นจะตายถ้าเราไม่บังคับมีใครมานั่งสักคนบ้างปวดหลังปวดเองจะเป็นจะตายนี่คือต้องบังคับบังคับก็คือสังวรสัมรวมการสัมรวมนั่นแหละคือบังคับการสังวรนั่นแหละคือบังคับอสังวรที่ไหนสังวรที่จิตสัมรวมที่ไหนสัมรวมที่จิต จ่อมาที่ไหนจ่อมาที่จิตกํากับที่จิตควบคุมที่จิตดูแลที่จิตเอาอะไรมาควบคุมเอาเครื่องไม้เครื่องมือนิวเคลียร์ยุทธตอนอะไรสติธทรรมนี่แหละปลุกจิตดวงนั้นให้ตื่นโร่ปลุกจิตดวงนั้นให้ตื่นรู้ให้มันชาติที่สุดมันโร่ที่สุดเราละลึกดูช่วงไหนขณะไหนเวลาใด ที่เราสํานึกรู้สึกตัวตื่นรูที่สุดโออนี่จิตเรามีสตินี่จิตมัมีสติพยายามทรงเอาไว้พยายามทรงเอาไว้พยายามประคองเอาไว้ ม, มันมีอะไรล่วงล่วงก้าวขณะจิตไปไม่เป็นอะไรนะ่ะพูดมีสติพูดเดินมีสติเดินยืนมีสติเดินยืนห ย, ยิบนุนหยิบนี้มีสติหยิบ กำหนดเลึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการปลูกฝังมันเป็นการปลูกฝังเราสามารถดึงจิตของเราให้อยู่กับอิริยาบถเหล่านี้นี่มันเป็นการเจริญมหาสติปัฏฐานแต่ถ้าเราต้องการให้จิตคือผู้รู้ของเราเนี่กํากับเอาพุโทโธไปกํากับผู้รู้ของเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่เปลี่ยนอารมณ<ม>์อารมณ์ของความสงบ อารมณ์ของสมถะอารมณ์ของวิปัสนาหมายติก็คือวิปัสนานั่นแหละมันจะสมถะก็ตามมันเถอะมันจะวิปัสนาก็ตามมันเถอะขอให้มันเกิดในในใจดวงนี้โอ้สมถะไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าไปจำหนิเหมือนกับไปเลือกเอาเหมือนกับไปซื้อสิ่งซื้อของสมถะไม่มีคุณค่าสมถะไม่มีมันนาต้องปัญญาต้องปัญญาโถเหมือนกับไปเลือกเอาเลือกเอาเหมือนกับสิ่งของมา โชว์ไปเลือกเอาเลือกเอาอืมสมถะกับวิ ป, ปัสนาเราก็แยกมาพูดเฉยๆฉานเองมันเกิดมันเกิดที่ใจของเราเนี่แหละอย่าพยายามไปแยกเหมือนนักแยกศัพท์นักศึกษานักฟิบรายนักพระตไตรปดฎกศัพท์แสงมากมายจนศัพท์แสงเหล่านั้นเนี่ยเตะกันศัพท์แสงมันเตะกันเอา อันนั้นขาดกับอันนี้อา้าวอันนี้ขัดขาดกับนั้นเอออันนั้ น, น, น, นย้อนเกินไปยอนอันนี้เข้าไปอีกเพิ่มอันนี้เข้าไปอา้าวรดตัวหน้ารดตัวนี้นนน <c oughs> เหมือนกับบังคับรถยนต์กลไกเหยียบเบรก อ, อยู่ถอย ห, หน้าถอย ห, หลังดูมาที่ของจริงที่จิตที่เรากําลังฝึกอยู่เนี่ยภาคปฏิบัติเราต้องต้องมาดูของจริง เอาให้เป็นจิตหนึ่งเดียวอย่าไปคิดไปเป็นจิตมีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงจิตหนึ่งเดียวเอาให้มันอยู่มันอยู่กับอะไรก็ช่างมันอยู่กับกายกายมันโรยู่กับกายมันอยู่กับเวทนากายมันโรอยู่กับเวทนากำกับจอยย้อนมาดูกับจิตมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นย้อนมาดูที่จิตของเราน่ยเลยนะย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมา ไม่งหลับเพ่พ่เหลับแล้วแพ่เพ่หลับแล้วเราไม่รู้จะเปลี่ยนขณะจิตให้เกิดประโยชน์การเปลี่ยนยับยบยบมันเหมือนกับเป็นการปลุกอืมันเป็นการปลุกให้ตื่นแต分 ienne. 分 ienne ่ละยับแต่ล hmm. ยับแต่ยบนั่นะปลุกให้ตื่นปลุกสติตั้งสตินั่นแหละลุกสติให้ตื่นเอาสตินั้นมาปลุกจิตให้ตื่น ปลกผู้รู้ของเราให้มันตื่นผู้รู้คืออะไรพยายามดูเข้าไปเราไม่นอ hmm. เราไม่นอเราไม่นอเราไม่นอดูเข้าไปรู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือผู้รู้รู้อยู่ตรงไหนก็จับตรงนั้นรู้อยู่ตรงไหนก็จับตรงนั้นขยับไปตรงไหนก็จับตรงนั้นขยับไปตรงไหนก็จับตรงนั้นเอาอะไรจับเอาสติเอาสัมผััญญา เอาวิริยะเอาสหาหะเอาความภาคเอาความเพียรเอาความอดเอาความทนอืมเอาสมรชัญญะความรู้ตัวนี่คือกิริยาทั้งหมดทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความรอบรู้รอบรู้เท่าทันดูให้เห็นกิริยาของจิตคืออะไรเป็นอะไรกิริยาที่จิตมันกระดุกระดิกพลิกแพร่งไปแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ไ ป, ไปรับอารมณ์นั้นไปรับอารมณ์นี้คืออะไรเป็นอะไรข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นอะไรสังเกตสังกาสอดส่องข้างหน้าข้างหลังยืนก็ทําได้เดินก็ทําได้อย่าไปทิ้งมันอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าทําไม่ได้อยู่ท่ามกลางวุ่นวายเอาลองทําลองดูนะลองอยัง่งลองดูดกำลัลองดูนะั้นทำได้ เราระ ล, ลึกรู้อย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของเวลาเวลาที่เราเสียไปนั่งปลอยไปนั่งปล่อยจิตใจล่อง้อยไปเลื่อนลอยไปขาดวิริยะอุตสาหะขาดการดาริในจิตจิตของเราก็จมไปแล้วขาดความดาริบภายในจิตจมลงไปแล้วโมหะมันดึงดึงคอยที่จะดึงให้มันจมมืข้าไปแล้วมิด้าไปแล้ว หลับไปแล้วอืมไปจนอิ่มนะล้วก็ตื่นมาตอนที่มันตื่นมานั่นนะ่ะสติของเราเข้ามาปล้องอตื่นรู้โรูพยายามรักษาตัวกิริยาที่ตื่นอย่างนั้นนะพยายามรักษาอยู่ฝึกเอาสิ่งวันนี้เราฝึกเอาไม่ฝึกเอาไม่ได้ <c oughs> อยาแก้ไอนี้แรงอยู่นะ เราฉันไติยาเฉยๆเนี่ยรู้สึกว่าข้อแหกขอแห้งไปเลยนะนนแรงหมดไ ป, ล า, ดดไปลายเม็ดนะฉันหมดไปลายเม็ดนะใครได้ยินจับจันทร์ร้องตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะใครได้ยินก่อนหม่ใครได้ยินร้องร้องตั้งแต่ก่อนโมฮะใครได้ยินร้องวันนี้ ฮะร้องอะไรเมื่อไหร่ฮะเราเพิ่งได้ยินร้องเมื่อวันที่หกเนี่ยฮะวันที่หกอ่ะแปดคำบอก <c oughs> <c oughs> เราเพิ่งได้ยินร้องเมื่อวันที่หกเนี่ยทั้งๆที่มันเข้าเดือนสี่มาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอเข้าเดือนสี่ปั๊บจักกระจัำร้องอันนี้ฝนตกหนักมันก็เพิ่งมาร้องเนี่ย ธรรมชาติของมันจักระจรันน้องเต็มป่าธรรมชาติของมันอยู่ป่าอยู่กับจักระจันในอะไรมันเป็นเสียงธรรมชาติด้วยมันได้เหมือนเสียงคนเลยเสียงคนอู o ่อ e ูอีอียุนี่นี่หน่อยหน่อยขัดแล้วแต่ถ้าเป็นเสียงธรรมชาติไม่เป็นไรแม้แต่เสียงพัดลมนี่ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นเสียงมนุษย์ล่ะก็โอ้ระวังเสียงหน่อยนะมีการไอการจามให้รู้จักออกมห้รู้จะป้องปากนะโอ้มันดุ่งนะแทบจะเสียสติเสียสัมผััญญะไปนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพวกนี้เราบอกไม่ฟังเลยจะไอจะจามจะอะไรรู้จัป้องให้รู้จั ก, ร, จกรถ ลอยผงผงผงสะดุง้งคนเขากำลังดิ่งลงสะดุ้งตัวเสียงมันเป็นคลื่นรู้จักบก่เสียงเนี่ยทดสอบได้เลยเ mm hmm. นี่ยเราให้ให้มูมานั่งล่วงไปเป็นชั่วโมงฉันลองใครมาทำเสียงดังๆลองดูนึ่ก็ตกไปเกือบทุกองเลยนะ มัน ก, กระตุกอะต้องระวังอ่ะโอ้บางครั้งเรามาคิดดูโอ้ถ้าเป็นรุนแรงนี่บ้าได้แน่นี่นะนะถ้ามันเป็นรุนแรงนะต้องระวังดีความสงบ จิ้มแลังดึงลงปลุกเมื่อก็กระตุกปกระตุกละตื่นละกระตุกละตื่นละวมไอ้คนหนึ่งกลาลังดึงไอ้คนหนึ่งผางออกมาละ่ะรู้จักป้องป้องรู้จัก ก, ก้มก้มรู้จักเอาผ้ามาอุดปากมาอะไรต่ออะไร เรานั่งรวมรวมกันมันเกิดประโยชน์มันช่ว ย, วยพยุงกันนะมันพยุงกันมันละอายกันเนเขาทำได้เราต้องทำได้ทำให้ดีไหน้า่งไหหลังอายเขาความละอายให้ได้อัดได้ทำนะอย่าลืมนะยกตัวอย่างให้ฟังเยอะแล้วพระนันทะเนี่ยยกตัวอย่างความละอาย ละอะไรเลยตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าพระุทธเจ้ารับประกันเด้เธอตั้งใจภาวนาเราจะเอานางฟ้าให้พรมพุทธเจ้ารอลอด้วยอุบายบายอุปา ย, ยะโกศลฉละดด้วยอุบายธรรมตั้งอกต้องใจภาวนาเอ้ยนั่นถ้าเมื่อก่อนภาวนาไม่ได้ ตอนนี้ทำไมตั้ง อ, อกต้องใจภาวนาดีเหลือเกินไปไปมาเรื่องแตง่เลยโหนันทาย า, ยากได้นางฟ้าตั้งใจภาวนาเพราะอยากได้นางฟ้าหมู่เพื่อนกระซูบซิบกันนะจีนี้เกิดความละอายขึ้นมาเนละี่ยโห้ไอ้นางฟ้า ง, งามๆอะไรเล ย, ไ ม, ม ไ, เลยมไม่มีคุณค่าเลยแหละนางฟ้างามๆไม่มีคุณค่าเลยจิตถอยมาแล้ว ถอนมาแล้วโอ้ยอะไรเว้ยพยายามภาวนาอยากได้นางฟ้าเนี่ยจิตก็มามาอยู่เนอกับเนื้อกับตัวอะไรตอนนี้ต้องใยายามภาวนานตัดตัดความอยากได้นางฟ้าออกจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอะไรเพราะอายเพื่อนใช่ไหมนี่คือความละอายเพราะอายเพื่อน<ม>เพื่อนเขานินทา<ม>เพื่อนกัาซุบซุบซุบซิ๊ด พวกเราอยู่ด้วยการอยู่ด้วยกันหมู่มากเราก็อาศัยความโยงกันพยุงกันท่านพยุงเราเราพยุงท่านอืท่านพยุงเร า, เร า, า, ừ, า, เราใครมีกําลังมากกว่าก็พยุงผู้มีกําลังน้อยกว่าผู้มีกําลังน้อยกว่าก็ถูกพยุงเออก็ค่อยๆขยับก็ไปก็ค่อยๆขยับไปค่อยๆคลานไปค่อยๆเดินเตาะแตะไป ก็อยวิ่งยาะเหยะยะยะไปตามเขาแต่ <c oughs> จริงาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นาศาสนธรรมเพื่อเพื่อกลุ่มเพื่อก้อนไม่ใช่เป็นาศาสนธรรมเพื่อคนเดียวโดดเดียวจริงอยู่การตั้งอกตั้งใจภาวนาเอกา ย, นายโนอยยมัคคไปคนเดียวตั้งใจภาวนาบท ภาวนาบทปฏิบัติเหมือนกับทําให้เราไปคนเดียวแต่ความเป็นอยู่เรายัางอาศัยสังคม <c oughs> <c oughs> เราเกี่ยวข้องกับสังคมสังคมก็คือหมู่คณะเราสังคมการที่เราอยู่ด้วยกันหมู่มากกลายเป็นระบบการกลายเป็นระบบระบบกลายเป็นระเบียบขึ้นมา ไม่ใช่อยู่ตามใจชอบมีระเบียบขึ้นมากํากับยกตัวอย่างเหมือนอย่างข้อวัดต่างๆที่เราทํานี่แหละนี่คือระเบียบระเบียบนี้บางบางอย่างก็มีในหลักพระพุทธเจ้าท่านรงตรัสเอาไว้บอกเอาไว้สอนเอาไว้บางอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็นมากำหนดพาเราทำเนี่ย ปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะเนี่ยเวลาเท่านั้นเวลาทอน น, ทนี้เรานัดกันเราหมายกันอยู่ด้วยกันพร้อมเพียงกันตอนเช้าพร้อมเพียงกันทันเที่ยงตอนบ่ายพร้อมเพียงกันตอนบ่ายปัดกวาดเช็ดถูพร้อมเพียงกันนอกจอากนั้นแล้วยังมีเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่อยู่ที่อาศัย เราต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะถ้าเราคิดว่าต่างคนต่างอยู่ผิดแล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันช่วยดูเละกันอะไรบ้างที่มีความสำคัญน้ำไฟน้ำน้ำที่เรามาบริโภคมาใช้มาส้อยตามห้องน้าห้องท่า ที่อยู่ที่อาศัยที่เรามีความเกี่ยวข้องกั น, นมันเป็นระเบียบนะไม่ใช่ตางคนตัางอยู่ต้องช่วยดูแลกันช่วยร่วมพาอาศัยกันถ้าใครเห็นเป็นเรื่องขัดข้องเป็นเรื่องอยู่ไม่สุดกสบายอยากอยู่คนเดียวโดดเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยคิดผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้มีความนึกคิดอย่างนั้น ยกเว้นเราออกไปคนเดียวพ อ, อกคน อ, อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> ถึงมโนบูสดสิบสี่สิบห้าค่ำแปดค่ำเราก็ต้องมาเกี่ยวข้องกันโายเฉพาะอย่างพระเนี่ยต้องมาฟังปาฏิมโมกขุกขึ้นดึงนนี้เนี่ยนี่คือท่านพยายามพยายามดึงหมู่ห้ามาเกี่ยวข้องกันไม่ทำปรับอาบัตเราไม่ทำปรับอาบัต เพราะการอยู่ด้วยกันมันเกื้อกูลกันมันเกิดประโยชน์กันมันได้คติจากกันและกันต้องการเที่ยววิเวกคนเดียวโดดเดี่ยวเป็นการเป็นคราวเราก็ไปได้แต่เวลาอยู่ด้วยกันปั๊บต้องดูกันต้องเกรงใจกันต้องเคารพกันต้องเกรงใจกัน ยิ่ตอนหลังมาพระเจ้าท่านพูดชัดเจนว่าสองทั้งหลายต้องเคารพเคารพกันด้วยอาวุโสพันเตเห็นกันทําเฉยเมยไม่สนใจไม่ดูไม่สนใจผิดน <c oughs> ้องถามไทย <c oughs> ต้องกราบต้องไหวต้องนบต้องกราบต้องไหวต้องปฏิสันถานไม่งั้นผิด หากเราอยู่ได้อย่างนี้เราดีเพราะอย่างนี้เราอยู่เพราะอย่างนี้เชื่อพยุงกันไปพยุงกันไปเพราะอย่างนี้ยกพุทธการก็เหมือนกันะพยุงกันเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มินิสัย <c oughs> เห็นไหมท่านจึงให้มินิสัยนิสัยคือเพื่อได้พึง่งพิงกันนั่นแหละอตั้งแต่มรรษาหนึ่งถึงพรรษาห้า ยังจะต้องถือนิสัยคือจะต้องมีอาจารย์คอยดูแลคอยบอกคอยเตือนคอยแนะพรรษาหา้าพ้นไปแล้วเขาเรียนนิสัยมุตตกะโดยวินยัยโดยวินยัยเขาเรียกนิสัยมุตตกะ <c oughs> พ้นจากนิสัยเพิ่งพาตัวเองได้แล้วเพิ่งพาวินยัยโดยวินยัย รักษาวินัยได้รู้จักอบัตเบารู้จักอบัตหนักอาบัตหยาบอาบัตช่วยหยาบอาบัตเบาอาบัตหนักอบัตที่หล่อแหลมกับชีวิตกับประมัญรู้จักศึกษาเข้าใจรู้เรื่องถือได้พวรัดได้งดเว้นได้เป็นผู้หนักแน่นในศีลหนักแน่นในความเคารพ <c oughs> โดยวินัยวินัยมุตตการได้พ้นจากการถือนิสัยแต่ธรรมเนี่ยเรามีทั้งธรรมเรามีทั้งวินัยธรรมหมายความว่าขอเพิ่งพียงอาศัยอย่างน้อยๆเพื่อความเคารพเพื่อความยำเกรงเพื่อความได้กราบได้ไหวถือนิสัยการถือนิสัยก็คือไปถือนิสัยกับ ผู้ที่มีปัญษาตั้งแต่สิบปัญาเป็นต้นไปนอกจากนั้นแล้วก็ถือนิสัยกับผู้มีคุณสมบัติมีคุณธรรมมีความรู้พอจะแนะนำบอกสอนเราได้ทั้งส่วนวิในทั้งส่วนธรรมะถือถือตลอดหลวงปุรีท่านอยู่กับหลวงตาท่านถือตลอดนะหลวงปี สายิบนสาห้าสิบทั้งะถือตลอดท่านถือไว้เป็นกติเป็นตัวอย่างแล้วพวกเราอยู่วัดป่าส่วนมากเราก็ถือถืออย่างนี้เ <c oughs> ขาไปปั๊บเราก็ถือเขาไปปับ๊บเราก็ถือจะเห็นดูบางคนชักเบ่งเบ่งชักก้ามก้ามชักเหินเห àng, ืนหางหางซะหน่อยไม่นานนอกเดี๋ยวนดหลุดแนละ้วเดี๋ยวนดล้วมแนละ้ว นอดหลุดนอดหลวมรู้อย่างไหมอามขาดแล้วถือบอบ่งถือเบ่งคนเราต้องมีความสมาระวะ <c oughs> มีความอ่อนน้อมรู้จักที่สูงที่ต่ำ มิจาเคารบยำเกรงการเคารพยำเกรงนี่เป็นคุณสมบัติใครมีเป็นคุณสมบัติของคนคนนั้นใครไม่มีแข็งกระด้างบางคนมีนิสัยตรงไปตรงมามีศีลมีธรรมตรงไปตรงมาด้วยเหตุที่เขาตรงไปตรงมารายะว่าเขาแข็งกระด้างก็ยังไม่ใช่เป็นคนผงผางเป็นคนดูเหมือนแข็งกระด้างแต่เขาตรงไปตรงมาเขาช่วยตัวเองได้ เขามั่นใจกับศีลของเขาเขามั่นใจกับธรรมของเขาเออสะหรับข้อปฏิบัติละเอียดลึกเข้าไปแล้วท่านไม่ให้ไปเพ่งมองอย่างนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดโทษจริ <c oughs> นิสัยไม่เหมือนกันหรอก อ, องนั้น อ, องนี้ อ, องนี้ อ, องนั้นไม่เหมือนกันหรหาเข้าใจจริตที่ใสแล้วก็เอออยู่ด้วยกันได้เป็นไปด้วยกันได้รู้ว่าเออคนนี้มีศีลเออรู้ว่าคนนี้มีทั <c oughs> รเคารพกันได้นับถือกันได้สนญธนา <c oughs> วิสาสะคุ้นเคยถือกติตัวอย่างจับ ก, กันและกันได้ พระเราเป็นเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นหมู่เป็นก้อนไม่ใช่โดดโดดเดียวคนเดียวโดดเดียวคนเดียวได้เวลาเที่ยวเที่ยวโะดงเที่ยววิเวกไปคนเดียวโดดเดียวแต่เวลาเข้าหมู่ไม่คนเดียวไม่โดดเดียวไม่อยู่ไม่ไม่ใช่ทำตัวเป็นเจ้าสำราญ ปล่อยมู่ทำจะเป็นจะตายเจ้าจของเป็นเจ้าสํำราญใช้ไม่ได้ต้องรู้จักดูกันด้วยสามารถะทํำตามมันสามารถภาษาน้อยก็ทํามภาษาน้อยถนัดเรื่องอะไรก็ถนัดตทำทําตา ม, า ม, า ม, ามที่เจ้าของถ น, นัดไปไม่เป็นคนปล่อยให้หมู่ข้ามมองเก้อ คนนี้มองอยากนะคนนี้ดูยากนะมันดูไม่ยากดอกคอยอยู่ให้ตั้งอกตั้งใจอะไรคือประโยชน์ขนขอใหทําป็นพระเราพวกโยมที่มาเกี่ยวมาคล้องเนี่ยก็เหมือนกับพระนี่แหละอยู่แล้วไม่เอาเกิดประโยชน์มารู้ะดูจะเอาอะไร อะไรที่จะเพิ่งเกิดประโยชน์ก็ถือเอาถือตามบางคนยิ่งอยู่ยิ่งแข็งก็ด้างยิ่งอยู่ยิ่งแข็งก็ด้างใช้ไม่ได้ยิ่งอยู่ยิ่งแข็งก็ด้างยิ่งอยู่ยิ่งห่างทำยิ่งอยู่ยิ่งแห้งมันน่าจะยิ่งอยู่ยิ่งชุ่มยิ่งอยู่ก็ยิ่งหวาน เหมือนผลไม้มันสุกมันหา่ามันงอมันอะไรไปอย่างนั้นยิ่งอยู่ยิ่งแข็งกระด้างยิ่งอยู่แล้วก็ลิ้งยิ่งจะไม่เหลือเท่าเดิมเนี่ยนี่แย่ต้องระวังไม่รู้อะไรคือข้อพัฒนาไปโดยตัวตัวเราเคยแข็งกระด้งางยังไงก็แข็งอย่างนั้นเลย วาจาเคยพูดออกมาทิมแทงหมู่ยังไงก็พิมทิมแทงงั้นแหละฉลาดนักหนาฉลาดล้นโลกอะฉลาดทะลุโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเออนั่นแหละฉลาดล้นโลกต้องระวังทีเดียวแหละพวกเราอะไรคือประโยชน์ให้ทำอะไรคือโทษให้เวน้นให้ละให้เวน้น ราดบัณฑิตชนผู้ดีทั้งหลายเขาดูเขาเห็นเขาไม่ต้องไปเปิดตาดูจังๆดอกเขารู้เขาเห็นให้ละอายให้มีระความความละอายในใจ <c oughs> ความไม่มีธรรม ความแสดงกิริยาที่ไม่เป็นธรรมมันเป็นกิริยาที่น่าละอายกิริยาที่เป็นธรรมแสดงเข้าไปเธอมีคนเขรู้ก็ประสบเขาพบเขาเห็นโอ้เขาชื่นชมก็ยินดีเา้านโมทนาแต่ถ้าตรงกันข้ามเน่ยเขาแป้วใจทุกข์ใจแทน เราหวังเพิ่งอะไรตาพาสนี้เราหวังเพิ่งอะไรเราเกิดมาเรามาเจอของดีแล้วเราไม่ทั้งใจเอาเราจะเอาอะไรเราไม่เจอสิ่เจอธรรมเราไม่ทั้งใจจะเอาไม่รู้จะเอาอะไรแล้วเห็นได้ะไรเดี๋ยวกินอีกแล้วเดี๋ยวก็นอนอีกแล้วเดี๋ยวก็ขับถ่ายอีกแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแต่วนเวียนอยู่อย่างนั้นแค่นั้นแหละหิวอีกแล้ว หายอีกแล้วยิ้อีกแล้วยิ้มอีกแล้วทายอีกแล้วล ว, วันๆก็มีแค่นั้นเองรู้สิมีอะไรคุณสมบัติอะไรที่จะพึงเจริญเงาะเงยหัวใจเราไม่ลืมตั้งอกตั้งใจทำจะได้อะไร บุญกุศลมหาบุญมหากุศลที่ทำให้เรามีโอกาสบางคนก็ทิ้งโอกาสดีเฉยเลยเราเวลาดีๆไปฉลุงชิบหายไว้พวงหมดเราเวลาดีๆที่พระเจาท่านให้ ไปสลงไปชีพไม้ใบพวงมันระวังให้ดีก็แล้วมันนะระวังให้ดีเหลือไม่เท่าเดิมระวังเหลือไม่เท่าเดิมเหลือไม่เท่าเดิมอย่างเี้ยบางคนเข้ามาคอนเข้ามาคอนบาคอนบาเข้ามาในคอนเข้ามา พอเวลาออกไปนี่หาบออกไปนี่เป็นเข้าประมาณเพราะเรามาอยู่ตรงนี้มุนเสียงยิ่งมีมือสั้นมือยาวหลักเล็กลักเล็กขโมยน้อยด้วยแล้วอุ้ยเสียงมากไม่คุ้มค่าเลยแค่บุรีตัวเดียวหมดไม่คุ้มค่าแนละ้ว ค่อยเป็นตรงที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดอย่าให้คิดตามหลังแล้วก็ทุกใหญ่ตาม <c oughs> เอาตัวรอดได้แต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยโอ้มันคืนลงไปทําอะไรมันคืนลงไปเราทํำอะไรมันคืนลงไปเราทําอะไรมีอะไรเป็นเรื่องของศสีลมีอะไรเป็นเรื่องของธรรมมีอะไรเป็นเรื่อง ตกค้างเป็นวิบากกุศลวิบากที่ตกค้างในหัวใจของเราทิ้งไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทาเหมือนกับเราอยู่ภาคสนามทุกแห่งอยู่ตรงไหนมันจะห่างตัวอะไรใจดวงเดียว มันจะห่างตัวอะไรก็น้อมเข้ามาเนี่ยทำอะไรก็น้อมเข้ามาใช่ใช่ใช่แป๊บเดียวมันจะใช้มันอะไรทั้งวันน้องเข้ามายืนก็น้องเข้ามาเดินก็น้องเข้ามาทําน้นทำนี้ทําอะไรก็น้อมเข้ามาดูจ่อมันตลอดไม่งั้นไม่ทันมันและไม่ทันมัน หลักวาระสตินี่แหละึงเป็นหลักยืนยันที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันดูไปแล้วก็เป็นเหตุได้กำลังใจแต่การที่เราจะเอามาใช้ทาอะไรปลุกสติขึ้นมามีสติอยู่ตื่นรอยู่ตลอดถือว่าใช้มันตลอดเวลายก ยกมากับงานเอา้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอา้าวลองขาดสตินะขาดสติไม่ได้นะขาดสติไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่สงบใช้พิจารณาขาดสติไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นวิปัสสนาไม่เป็นปัญญาขาดสติตัวเดียวสามัคคค์ก็ไม่ได้ขาดสติตัวเดียววิปัสสนาก็ไม่ได้เป็นคนบ้า คนไม่มีสติคือคนว่าเราหักวกวแหวมแวมแหวมเดี๋ยวมาเดี๋ยววักเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวไปเราอ่อนฝึกเราฝึกให้หนักเราฝึกให้มากเราจะจ่อทุบตีมันอยู่นั่นแหละเราจะรู้เรื่องรู้แล้ว ฝึกฝึกได้แล้วเป็นสุข <c oughs> จิตตังดันตังสุขฆ้าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ <c oughs> จิตตัดสัตย์ดมะทสาทุกการฝึกจิตเป็นความดีจิตจิตดงเดียวนะี่ถ้าเราไม่มีจิตดงเดียวนี่เหมือนอไหไ เหมือนต้นเสาเนี่ยรู้เรื่องไหมต้นเสาไม่รู้เรื่องเลยทีเ่เราไม่เรามีจิตมาแล้วฝึกหาความสงบจากที่เรามีจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยนี่แหละปัญหาสกปรพกับตา ม, มา มีจิตมาแล้วไปโปรที่นู่นไปโปรที่นี่เกิดพบนู้นพบนี้ที่นู้นที่นี่เกิดไม่หยุดเกิดที่ไหนคือกองทุกเกิดเกิดที่ไหนคือกองทุกเกิดดูที่กองทุกอะไรบ้างทุกคนแบบกองทุกอะไรบ้างเกิดที่ไหนกองทุกเกิดทุกตัวเองทุกพ่อทุกแม่ทุกพี่ทุกน้องทุกเพื่อนทุกผัวทุกเมียทุกสลพัตัวเกิดที่ไหนกองทุกเกิด เกิดทีไหนหกองทุกเกิดมีผู้รู้หนึ่งเดียวเราดูแลไม่คุ้มถ้าดูแลคุ้มดึงมาเป็นเอกเทศเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าท่านปลูกฝังพวกเราอนาคาริกไม่มีไม่มีบ้านยามดึงออกมาไม่ให้มีบ้านผู้ใช่มันโดทุกผู้ใช้มันเด่นผู้ใช้มันเดินไปได้ดีอนาคาริกไม่มีบ้าน แต่ธรรมะของพระองค์นั้นสำหรับผู้อาคาริกผู้อยู่บ้านก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นจึงมีสินห้าขอให้อยู่ในกรอบของสินห้าไปได้อาคาริคผู้ไม่มีบ้านอานาคาริกไม่มีบ้านไม่มีผัวไม่มีเมียมาอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวอาคาริกไปไหนก็ได้ ไม่มีบ้างสลับผู้อยู่ครองเรือนอาคาริกมีสินห้าสินแปดถือได้ถือสินไห้เรียงครัานเผา้หยใจสงบไปได้เหมือ น, นกันพูดถึงสินห้าแต่และขอ้อแต่ละข้อโอ้มัน ฟืดแล้วเกินโอ้แต่มันเอาอย่ยาวแล้วเกินเนาะจะทิ้งข้อหนึ่งก็เสียดายจะทิ้งข้อสองก็เสียดายทิ้งไม่ความว่าจะไม่ข่าสัตวจะไม่รักสัตวชอบหยิบชอบฉวยฮะเสียดายข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าติดอันนั้นด้วยแล้วนี่โอ้ปล่อยม็ได้ดอกไม่ได้ไม่ได้ตายช่างมันเถอะ มันไม่ยังง่าย น, นะฮะฮะตายังมันเถอะตายังมันเะตับแข็งตายก็ ด, ดูเถอะมันหงายมันเยอใหญ่ขนาดไหนมีแต่มีแต่สำอ้อยอ้อยอิงเกี่ยวกับเรื่องกองทุกทั้งนั้นที่มากรุ่มรุงหม้อใจของเรา อ่าไปพอสมควรนะ <c oughs>